เรื่องขยํำภาพบังสุกุลบนแผ่นศิลากษัปเราได้ดําริต่อไปว่าจะพึงขยํำภาพบังสุกุลไว้ที่ไหนหนอะลำดับนั้นเท้าส ก, ก่าจอมเทพทรงทราบความดําริในใจของเราด้วยพระไทยจึงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรง ขยำผ้าบาังสุกุลบนแผ่นศิลานี้เถิดศิลานี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้